เพราะว่าเปลี่ยนสนามบินใหม่ออกจากห้องกองไปลงแวนคูเวอร์ไม่ได้หยุดออกจากแวนคูเวอร์ไปโตรอนโตถึงทุ่มหนึ่งพอดีแล้วก็ไม่หยุดไปห้องประชุมเลยเขาประชุมกันอยู่บอกว่าวันนี้ประชุมไม่ไหว ขอนอนก่อนหนีขึ้นไปพักที่น้ำตกในแองกราฟอร์้าเรียกว่าไนแองกราฟอคือน้าตกแองกรานั่นนหะเช้ามาประชุมวันที่หนึ่งประชุมวันที่สองประชุมวันที่สามเราก็เอาแผนของเราไปโชว์เป็นอันว่าคนที่ทำแผนให้หมายความว่า โพสเตอร์ที่โชว์นั้นของเราได้อันดับหนึ่ง <laughs> <c oughs> เสร็จแล้วหลังจากประชุมเสร็จ <c oughs> เขาก็ถามว่าวิธีการทำโครงการปริบีบเด็กไทยที่ทำอยู่ที่เมืองไทยนั่นทำได้ยังไงมั่งโอ้ทำได้เยอะ ว่ากงนั้นเอจะต้องไปดูตัวอย่างแล้วเราก็อาการไม่ค่อยดีนะถ้าเข้ามาเสร็จแล้วพอประชุมเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขามีที่อยู่ที่นิวยอร์กเราจะต้องไปดูที่เขาจะทำศูนย์กลางพุทธศาสนาที่นิวยอร์กเอาพา ออกจากโตเรนโต้ไปนิวยอร์กสนามบินอะไรไม่รู้เดียเดยเนี่ยเคนกดียรื อ, อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็พักที่ออฟฟิตเขาหน่อยหนึ่งก็เดินขึ้นรถต่อไปที่ออกจากนิวยอร์กสองชั่วโมงกว่าไปอยู่กลางป่า เขามีที่อยู่460เอเคอร์460เอเคอร์ก็คือพันกว่าไร <c oughs> แม่พันกว่าไรไมันใหญ่โตจริงๆอ่ะ <c oughs> แล้วอยู่ที่นั่นคืนนึ้งเขาเลยให้ฉันเจซะเลยเไปฉันเจกับเขาที่นั่งทีนี้ มันมีภิกษุณีนี่ภิกษุณีก็จะมาจับหลงพ่ออยู่เรื่อยก็ราะว่าโนโนโนเขาก็ไม่รู้ว่าโ no นอะไร <laughs> และทีนี้เขาก็ยกให้เอาเราก็บ้านเอาวางไ <laughs> ว้ น, <laughs> วนี่แหละแล้วเขาก็บ้านแล้วพอเวลานั่งเก้าอี้ เขาเอาก็ยอี่มานั่งคู่กันพอดีเอ้มันยังไงกันแน่นะหนี <c oughs> <N ee> <N ee> ไปไหนกันหนีไม่หลอดภิกษุณีทั้งนั้นเลยในทั้งหมดที่ประชุมกันเราห้าร้อยกว่าเป็นภิกษุณีสักสามร้อยกว่ามีพระอยู่100ร้อยกว่าองค์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอเวลาไปก็โดนภิกษุณีล้อมเลย อันนี้เราไม่ต้องเล่ามากอะ่ะแค่นี้คุ้นมากไม่ค่อยดี <laughs> <laughs> เดี๋ยวโยมจะเอาไปพูดเดี๋ยวนักศึกษาจะเอาไปเที่ยวพูด <laughs> แต่เราก็ถึงยังไงก็ไม่ได้จับเขาแน่นอน <laughs> มีแต่เขาจะมาจับเรา <laughs> พอเสร็จแล้วก็มี ยอมที่นิวอยอร์กเขาเป็นหมอเขาบอกเขอไปพักบ้านาก็ไปพักบ้านไปอธิบายให้เขาฟังอะไรต่ออะไรในที่สุ ด, ดเขาก็บอกว่าเวลานี้ก็คนก็อยากทําสมาธิกันเยอะแต่ว่าไม่มีใครสอนแล้วก็บภิกษุณียสอนเขาไม่ได้เหรออย่งั้นบางองค์ก็สอนได้บางองค์ก็สอนไม่ได้แต่ส่วนมากสอนไม่ได้ ในที่สุดหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเวลานี้เรามีโรงเรียนสอนสมาธิสอนให้เป็นครูสมาธิเขาบอกว่ามีด้วยเหรออเยในโลกนี้ก็อกยังถามว่ามีด้วยเหรอในโลกนี้เขาบอกว่าการที่คนจะไปเป็นครูสอนสมาธิเนี่ยมันต้องแน่นอนนะมันต้องเจ๋วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ว่าลนะ มันจะต้องมีอะไรเพามีอะไรเพลวเยอะแย ะ, ะโดยที่ว่าเขายังไม่เข้าใจว่าคนที่จะไปสอนสมาธิเนี่ยไม่ต้องจำเป็นต้องถึงอย่างนั้นอะไรเรก็ต้องอธิบายบอกว่าเวลาเนี้ยเรามีครูสมาธิเกือบพันคนแล้วหรื อ, อ, อว่านั้นของเขานี่มีอยู่ไม่ถึงยี่ไม่ถึงสิบคนเลย เพราะอะไรถึงเป็นอย่างงั้นอ่ะเพราะว่าคนที่จะมาสอนสมาธินี่ต้องแค่เกือบเกือบเหมาะได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ใหญ่โตบอกอย่างนั้นอันนี้คือความเข้าใจผิดอืเราก็ไปนั่งอธิบายกันเราก็บอกว่าปีนี้จะไปสอนที่เอแอตแลนตานแคนาดาแล้วพวกกเลย สงสัยจะเรียนหรือไม่เรียนก็ยังไม่ว่าแต่จะมาดูจะทำวิธีไหนแล้วก็ขึ้นเครื่องจากนิวยอร์กมาถึงแบงคอกยี่สิบสองชั่วโมงไม่เคยนั่งเครื่องยาวเท่านี้สักที เวลาจะไปแคนาดาเนี่ยจะต้องไปพักแวนคูเวอร์ใช้เวลาจากกรุงเทพไปก็ราวสิบสี่ชั่วโมงเรียกว่าเยอะแล้วอันี้มาจากเอ่อนิวยอร์กมาถึงกรุงเทพเครื่องบินก็เลยเกิดเสียเวลาซะอีกชั่วโมงหนึ่งก็เป็นอันว่าเราบินจากนิวยอร์ก คิดเป็นเวลาแล้วยี่สิบสามชั่วโมง <c oughs> กว่าจะถึงวัดก็พอดีเกือบ5้าทุ่มสีทุ่มกว่า <c oughs> นึกว่าเป็นกลางวันอ่ะแท้ที่จริงเป็นกลางคืนแล้วนอนหลับหลับไปอ้าวนี่หลับแพบเดียวอยู่นิวยอร์กนอนอยู่ที่วัดธรมมมงคลแต่ว่าอยู่นิวยอร์กเพราะอะไรเพราะว่า เวลาฝันก็ฝันนิวยอร์กเท่านั้นเพราะว่าไปฉายภาพมาเต็มมัดเลยหลับไปก็อยู่ที่นิวยอร์กหมดเนี่ยเมเจอร์นี้กำลังเขียนเนี่ยเขียนข้อความที่จะมาสอนเขียนชิดเขียนไปก็หลับไปก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวนังสือหรือเปล่าเดี๋ยวก็คงรู้กัน อันนี้ในวันนี้มีการสอนถึงเรื่องอประโยชน์ของสมาธิประโยชน์ของสมาธิก็เป็นอันว่าได้ความรู้อยู่บนเครื่องบินแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือออกมาความรู้ที่อยู่บนเครื่องบินนั้นอ มันเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เพราะว่าไม่คิดถึงใครเวลานั้นจะไม่คิดถึงใครเลยแม้แต่คนเดียวว่าอย่างนั้นนะแต่คิดหรืไม่คิดไม่รู้แหละแต่ว่าเราตั้งใจว่าจะไม่คิดถึงใครแม้กระทั่งวัดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าระบินมันตกตูมลงไปนี่คงไม่มีอะไรเหลือ เพราะฉะนั้นใจต้องทำให้ว่างทีนี้พอใจว่างแล้วเนี่ย เ, เรื่องของการคิดถึงสมาธิก็เกิดขึ้นมีเกิดขึ้นว่าในกิจการงานทุกๆอย่างเมื่อขาดสมาธิกิจการงานเหล่านั้นจะไม่ได้รับประโยชน์ที่จะพึงได้เกี่ยหมายความว่าถ้า คนที่จะทำงานทุกอย่างแม้กระทั่งการเรียนหนังสือตลอดจนกระทั่งที่เวลาจะพูดทื่เวลาจะทำงานทือเวลาทุกอย่างเนี่ยเมื่อขาดสมาธิแล้วแต่สิ่งที่พูดออกไปและสิ่งที่ทำออกไปนั้นไม่ก็จะไม่ได้รับประโยชน์สมควรที่จะพึงได้เพราะการขาดสมาธินั้นหมายถึงการขาดความรอบคอบ แต่ในขณะเดียวกันบุคคลผู้ที่มีสมาธิในกิจการงานย่อมได้ผลดีสามารถที่จะเข้าใจต่อเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากสมาธิคือความมั่นใจและความยับยัง้งตลอดถึงความมีปัญญาเพิ่มขึ้นเป็นการได้เปรียบในเชิงการที่จะทำ คือกระทำการทุกๆอย่างนานับประการความแตกต่างระหว่างผู้มีสมาธิและผู้ขาดสมาธิก็ย่อมพอจะมองเห็นกันได้เราคงจะเห็นคนที่เขาขาดสมาธิเนี่ยเวลาจะพูดอะไรออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยจะเป็นสุภาษิตกันเท่าไหร่ <c oughs> คุณงามความดีนั้นหมายถึงประโยชน์ของสมาธิความตั้งใจของบุคคลทั้งหลายนั้นต้องการความสุขด้วยกันทุกคนแต่เวลาเขาแสวงหาการนั้นบางทีก็พบความทุกข์เพราะพลาดเป้าหมายอาจจะเป็นได้ว่าเขาได้คาดการผิดพลาดไปทั้งนี้เนื่องจากความประมาทหรือความไม่เข้าใจที่แท้จริง ดังนั้นจึงต้องอาศัยความรอบคอบการจะเกิดความผิดพลาดก็ให้ผิดพลาดน้อยลงจึงต้องอาศัยสมาธิเพราะสมาธิเป็นทางให้เกิดสติปัญญาหากว่าบุคคลมาทราบผลทางสมาธิและพยายามให้สมาธิเกิดขึ้นให้มากพอสมควรพลังจิตก็จะตามมาเมื่อพลังจิตเกิดมากขึ้น จะทำความเข้มแข็งของใจให้มีมากขึ้นเราคงจะเห็นการตัดสินใจของหลายๆคนที่เกิดความผิดพลาดและแล้วประโยชน์ก็เสียหายอย่างมหาศาลด้วยเหตุดังกล่าวจึงต้องอาศัยความพินิจพิจารณาอย่างระมัดระวงังแต่จะระวังสักแค่ไหนเพียงไร <c oughs> การตัดสินใจของบางกลุ่มบางคณะบางประเทศ ก็ได้เกิดการผิดพลาดมาครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดมาผลของการตัดสินใจผิดพลาดทำให้เกิดโกลาห์ผลกลียุบทำให้เสียหายแก่คณะชุมชนอย่างประมาณค่ามิได้จึงเชื่อว่าเป็นการเสียผลประโยชน์อย่างมากเพราะเหตุว่าขาดสมาธินั่นเองดังนั้นจึงมีผู้หวังดีต่อโลกเป็นส่วนรวม ดำเนินการสร้างระบบงานสมาธิขึ้นด้วยความอุตสาหะวิริยะแม้จะเป็นการยากสักเพียงใดก็พยายามหาวิธีสร้างขึ้นแม้จะต้องใช้เวลานานานับเป็นร้อยเป็นพันปีเขาก็จะสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องจากบุคคลสู่บุคคลไม่ยอมละทิ้งจนปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นมาในโลก <c oughs> เดี๋ยวก็มาดูต้นฉบับอิกีนึงว่าประโยชน์หมายถึงความได้มาและสิ่งที่ทําให้ได้รับความจริงที่อํานวยผลเช่นผลผิดเกิดจากการกระทําได้แก่เงินทองเข้าของเพราะผลผิดต่างๆนั้นคือสิ่งที่ต้องประสงค์หากไม่มีผลหมายถึงไรผลประโยชน์นั่นคือ ทำให้ไม่ได้รับผลผลิตจึงจําเป็นต้องทราบว่าเพราะอะไรจึงมีผลเพราะอะไรจึงต้องเสียผลในการนี้จะต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลของการดําเนินงานต่างๆผลประโยชน์นี้เองที่ทําให้มนุษย์ในโรคนี้ต้องยื้อแย่งแข่งขันเขี้ยวเข็นเข็นฆ่ากันอย่างโกลาหลจึงชื่อว่ามีคุณมีโทษเหลือประมาณ พระผลประโยชน์นี้เราประสงค์หรืออยากเห็นว่าให้มนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่ยื้อแย่งแข่งขันกันเอาประโยชน์จากสมาธิหรือของสมาธิจะได้ไม่ต้องเคี่ยวเข็นเข็นข่ากุลาผลจะเป็นผลดีต่อมนุษยชาติคําว่าผลประโยชน์ทำบุคคลมีความโลภปวดหลงพรอบคลุ ข, ขึ้นอย่างมากมาย เพราะว่าทรัพย์สินเงินทองต่างล้วนมาจากผลประโยชน์เท่านั้นด้วยเหตุนี้บุคคลจึงทุ่มเทลงสู่ผลประโยชน์เป็นการใหญ่ไม่ว่าการหาประโยชน์จะถูกหรือผิดหาได้ผลประโยชน์แล้วก็ทําดังนั้นคําว่าผลประโยชน์จึงยิ่งใหญ่อยู่ในความมุ่งหมายของอทุกๆผู้คนบางทีถึงกับเปลี่ยนอุแปลงอุดมคติตหลอดถึงเปลี่ยนความคิด ถือว่าเป็นไปได้ดังที่กล่าวมานี่ก็ไม่ได้เกินความจริงเรามีความคิดและประสงค์ที่จะให้บุคคลทั้งหลายมาเอาใจใส่ประโยชน์คือสมาธิหมายความมีจิตพยายามหาวิธีมุง่งมั่นมุ่งหมายต่อประโยชน์ของสมาธิเช่นเดียวกันกับประโยชน์ทางโลกเราจะหาวิธีใดให้บุคคลทั่วไป ได้มีความคิดเห็นว่าสมาธินี้มีความสำคัญมากประโยชน์ของสมาธิมีดังนี้ข้อที่หนึ่งทำให้หายความกังวลอันนี้นก็คงจะพอที่ภายได้ว่าเมื่อจิตเข้ามาสู่สมาธินับตั้งแต่วินาทีของการบริกรรมแล้วเนี่ยความกังวลนี้จะถูกตัดไประดับหนึ่งแล้ว ข้อที่สองเราสามารถกําจัดโครคภัยไข้เจ็บได้แต่ก็พึงเข้าใจว่าไม่ใช่ปาฏิหาริย์หรือไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างไปการกําจัดโครคภัยไข้เจ็บนั้นสมาธิสามารถกําจัดโครคภัยไข้เจ็บที่นอกเหนือจากหมอจะรักษาคือโครคภัยไข้เจ็บเช่นโรคประสาทบ้างโรค อะไรที่ทำให้ลาไส้พิการบ้างอะไรเหล่านี้เป็นต้นล้วก็ทำให้สมองสติปัญญาดีคนที่มีสมาธิย่อมจะดีกว่าผู้ที่ไม่มีสมาธิเยอะล้วก็ข้อที่สี่ทำให้เกิดความรอบคอบก่อนทำงานเราจะทำงานต่างๆเนี่ยถ้าหากว่ามีสมาธิเป็นเครื่องที่ พอยประครับประคองจิตใจของเราแล้วเนี่ยการงานต่างๆนี้สามารถที่จะทำไปได้ผิดกว่าการงานที่เคยกระทำด้วยความไม่รอบคอบเพราะความไม่รอบคอบนั้นทำให้เกิดเสียใจภายหลังเยอะอย่างหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสอย่างนี้ก็ต้องรอบคอบอย่างยิ่ง อันนี้สมควรจะทำแค่ไหนสมควรจะลงโทษแค่ไหนหนักเบาแค่ไหนบางทีเราไปลงโทษคนคนนี้มันจะต่อไปจะเป็นคนดีเราก็ไปลงโทษซะมังก็เลยเสียหายไปเพราะฉะนั้นก่อนจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสมาธิจะช่วยได้มากก่อนที่เราจะไปทำงานอะไรเนี่ย <c oughs> ทีนี้ต่อไปก็คือระงับความร้ายกาศ ความร้ายกาจของคนเราเนี่ยเอถ้ามันร้ายกาจขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันฆ่ากันได้มันตีกันได้มันทำร้ายกันได้มันทําในสิ่งที่หยาบคายที่สุดได้อันนี้คือความร้ายกาจแต่พอมันจะเกิดการกระทําเช่นนั้นขึ้นมาสมาธิช่วยได้ไม่ให้บุคคลเพราะนั้นต้องก้าว เ, เกินไปกว่า <c oughs> ทีนี้ อย่างข้อที่หกอย่างนี้อย่างบรรเทาความเครียดคนเราเนี่ยก่อนที่มันจะไปทำไ ร, ร้กาดมันจะก่อนจะไปทําอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเกิดความเครียดก่อนพอเครียดเข้าเครียดเข้าเครียดเข้าใครมาเตาะหน่อยหนึ่งทีนี้ก็เอาแล้วทีนี้มันก็ไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นความเครียดเนี่ยมันแก้ได้ด้วยพลังจิตเพราะพลังจิตของเราที่ทําขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยมันเป็นเหตุอันหนึง่ง ที่เข้าควบคุมจิตใจของเราเมื่อสามารถควบคุมจิตใจได้ไอ้ความเครียดตัวนี้ก็จะลดระดับลงไปตามลาดับแต่บุคคลผู้ที่ไม่ได้ทำสมาธิไม่มีพลังจิตมาช่วยเนี่ยไอ้ความเครียดมีเท่าไหร่มันก็จะเกิดขึ้นเท่านั้นร้อยเปอร์เซ็นแล้วข้อที่เจ็ดเนี่ยเป็นที่มีความสุขเป็นพิเศษ ความสุขพิเศษอันนี้จะเป็นความสุขนอกเหนือจากความสุขที่เราเคยได้รับเพราะว่าความสุขที่เราเคยได้รับเช่นได้เงินทองเข้าคลองยศท้ามดาจักสิ่งเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นจากอารมณ์เงินก็คืออารมณ์บ้านเรือนก็คืออารมณ์อลอดจนกระทั่งสิ่งต่างๆนี้จะเป็นอารมณ์ทั้งหมดแล้วก็เขาเรียกว่าอิทธารมคืออารมณ์ดี เมื่อเราไปอยู่ในอารมณ์ดีที่พอใจเราถือว่ามันเป็นความสุขแต่ว่าถ้าเกิดสมาธิแล้วมันจะกลับไปเป็นฌานพอกลับไปเป็นฌานแล้วไปเกิดความสุขความสุขอันนี้เพราะตัดอารมณ์ได้อารมณ์ข้างนอกมันงนี้แล้วเพราะฉะนั้นความสุขมันจึงพิเศษกว่าต่อไปก็คือว่าทําจิตใจของเรานี่ให้อ่อนยน แต่ก่อนเคยเป็นบุคลคลผู้ที่มีความแข็งกระด้างมันก็จะกลับกลายเป็นผู้อ่อนโยนขึ้นและทีนี้ในข้อก้าเนี่ยอันนี้ก็คนที่เป็นโจรหรือคนที่ร้กาดนักหนาพอมาทำสมาธิกลับใจได้หมดยกตัวอย่างเช่นพระอังคริมารพระอังคริมานเนี่ยไปฆ่าคนทั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้า ฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนเนี่ยไอ้ก่อนแต่ที่จะฆ่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนเนี่ยไม่รู้ฆ่าไปเท่าไหร่แล้วอ่าอาจารย์เนี่ยหมายความว่าอาจารย์นี่อัคติ mm. เกิดอัคติขึ้นเพราะทุกคนทุกคนนั้นเขาไปจ่ายอะไรได้โต๊ะให้อาจารย์อะไรอย่างนี้อาจารย์ก็เลยไปเข้าข้างเขาทีนี้สําหรับ พระอังคฤิมานเนี่ยทีแรกเขาเชื่อว่าหิงสาหิงสางสกุ ม, มารเขาไม่มีอะไรจ่ายตายต่อแล้วก็เรียนเก่งกว่าคนอื่นเพราะพสิฤาษีเลยยุยุยอาจารย์บอกว่าต้องกําจัดมันกําจัดแบบไหนให้มันไปฆ่าคนทีนี้อังคฤิมานเนี่ยเาจะมีเอความซื่อสัตย์ต่อพระอาจารย์เนี่ยบอกว่าไงเอาแกไปฆ่าคน ฉันก็ไปค่าแล้วก็เอาแกเอานิ้วมือมาเป่าเปล่ า, ลาแกต้องไปเอาไหมตัดออามาให้ได้พันนิ้วมเมื่อไหรแล้วฉันจะให้วิชาแกถึงขั้นสูงสุดก็ไปตัดมาได้เก้ารอยเก้าสิบเก้าไปเห็นใครเขาก็วิ่งหนีหมดตัดก็ไม่ได้ก็ยังเหลืออีกนิ้วหนึ่งก็ไปตัดแม่เราแล้ววะก็เลยเออกลมกลับคืนไปที่จะไปฆ่าแม่เพื่อที่จะตัดเอานิ้วมือนั้นมา พระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นว่าถ้าถึงขั้นฆ่าแม่แล้วเนี่ยชาตินี้ก็คงพระอรหันต์ก็คงไม่สําเร็จแน่แล้วพระพุทธเจ้าก็ถึงได้อไปถึงก็อไปยืนกั้นทางไว้ไปยืนกั้นทางไว้อันพริมานก็ดีใจสิอีเที่ยวเนี้ยเราได้แล้วนิ้วหนึ่งกระโดดเข้าฟันพระพุทธเจ้า พ, พเจ้าก็เลยอธิษฐานเป็นภูเขาขึ้นมาลูกนึงพระพเจ้าก็อยู่บนภูเขานอน อังคณิมาณก็วิ่งจี้กันไปบนภูเขาพุทเจ้าก็เอ อ, องไปอยู่ที่เหวอธิษฐานทองอยู่นี่ก็วิ่งจี้ลงไปอธิษฐานบนเขาสามลูกมันยิ่งกว่าดอยอินทนนทสเิเรอ ม, มันนะสามลูกสี่รูกสามลูกสีกส่ลูกแกก็เหนื่อยสิแกก็เลยประกาศห ย, ดดยดุดสมณะโคดมหยุดพุทเจ้าก็ตอบว่าหยุด แต่พระพุทธเจ้าก็เดินไปอ่ะอ้าวไหนว่าหยุดเหรอทำไมถึงยังต้องเดินอยู่ล่ะพระเจ้าบอกว่าเราหยุดการทำบาปนะเธอกาลังทำบาปอยู่เท่านั้นเองพระอันปริมาณวางดาบแล้วสมาธิเกิดแล้ววางดับแล้ ว, ล ว, อ ว, ลวขอบวชเนี้ยขอบวชแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็นักว่า อังคฤิมานเนี่ยไปเที่ยวฆ่าคนถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยไม่ได้การต้องจับเข้าคุกแล้วอมาประหารชีวิตก็อย่ทีนี้อังคฤษมานมันเก่งเนี่ยเอไปจับคนเดียวก็ไม่ไรต้องยกกองทัพไปเมื่อยกกองทัพไปก่อนที่จะไปก็แวะที่วัดพระเชตวันหาพระพุทธเจ้าก่อนก่อนที่จะไปป่าอังคฤิมานอาจ้ารประเสริฐเนี่โกศลนายทหารยืนอยู่ข้างนอกแล้วก็ ะสะเสด็จขึ้นไปกราบพระพุทธเจ้าเมื่อไปถึงกราบพระพุทธเจ้าแล้ว <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ถามว่าจ ะ, สะเสด็จไปไหนจะไปปราบอังคุริมานแท้ จ, จริงอังคุริมานนั่งอยู่ตรงนั้นแหละบวชแล้วแล้วถ้าหากว่าอังคุริมานบวชแล้วพระองค์จะทำยังไงจะจับไหมเพรไม่จับจะถวายอาหารบิณฑบาต ก็นี่อย่งกระโดดกุฏิลงไปเลยพระเจ้าแผ่นดินเนึกกลัวขนาดนั้นอตื่นเช้าขึ้นมาไปบินทบาทอังคุริมานไปบินทบาทพอไปบินทบาต ท, ทีนี้ว่าอังคุริมานออกบิณทบาตคนก็กลัวทิวิ่งหนีกันใหญ่วิ่งหนีคนไหนมีท้องวิ่งหนีไปติดรั่วออกไม่ได้คลอดบุตรกรรมทางอะไรเงี้ยเกิดโกลาหลกันใหญ่ พระพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตให้อนุญาตให้พระอังคฤษมานว่าคถาคถาคลอดบุตรง่ายพระอังคฤษมานก็เลยสร้างคถามาคถาหนึ่งเรียกว่ายะโตหังพังคินีอริยยะยาติชายาโตนาปิชานามิสัญจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตหนตุโสธิขปสสะวานั้น อ่าถ้าไข่ได้คาถานี้ไปไม่ต้องไปให้หมอผ่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่า <c oughs> อย่างเงี้เป็นต้นอังคุริมานก็เลยกลับใจได้กลายเป็นนักเทศกลายเป็นผู้ไปสอนผู้คนทาไมอังคุริมานถึงจะต้องมาฆ่าคนหนึ่งนับไม่ถ้วนคือในชาติหนึ่งอังคุริมานเนี่ยเกิดเป็นเตา่าเ้าเรียกว่าเต่าใหญ่ เตาใหญ่เนี่ยก็คื อ, อมันคงจะเต่าเท่าพระเจดีนี่หรือไงไม่รู้ว่ามอายุเป็นพันปีหรืออะไรอย่างนี้เต่าใหญ่ก็คราวนั้นก็เกิดมีคนไปล่มเรือสำเภาไปล่มอยู่กลางทะเลเ อ, อยู่กลางทะเลเต่าเามีเมตตาเขาก็ลอยไปให้ผู้คนทั้งหมดเนี่ยจับ อขึ้นกระดองแล้วเขาก็พาไปที่เกาะเสร็จแล้วเต่าก็กลับมาอีกเอามาคนขึ้นกระดองแล้วกลับไปจนกระทั่งเอหมดเรือสำเภาเมื่อหมดเรือสําเภาเสร็จแล้วเต่าก็ขึ้นไปเพื่อจะไปโคง้งคล้ายๆกับว่ า, าฉันได้ช่วยพวกท่านแล้วที่ไหนได้คนที่ข้างบนเกาะทั้งหมดเจกันจับเต่าแกงกินซะหนิเ <c oughs> ต่าก็เลยตาย <c oughs> เรื่องเหมือนเป็นเช่นนั้น ในที่สุดก็เลยกายมาเป็นกรรมเวรกันเ <c oughs> ทนี้ข้ อ, อที่สิบเวลาสิ้นลมจะพบทางดีอันนี้คือสมาธิสมาธิเนี่ยมันทำอยู่ที่ใจครับเพราะว่าเวลาที่เราทำสมาธิเราไม่ได้ไปทำที่ไหนใจของเรานึกใจของเราเนี่ยนึกพุโทโธพุโทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งจิตนี้สงบก็เป็นสมาธิจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยสมาธินี้จะไม่มีการสูญสลายตัวเหมือนกับเราสร้างบุญต่างๆเนี่ยเราทำบุญทานการกุศลใดๆก็ตามเมื่อเราสร้างไปแล้วนี่บุญจะไม่สลายตัวบุญนี้จะอยู่กับจิตเขาบุคคลพวกนั้นตลอดเพราะฉะนั้นการทำสมาธิก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ย ใจเนี่เป็นสมาธิอยู่ในแต่ละครั้งแล้วก็เก็บไปที่นี่ไม่มีการสลายตัวเมื่อเวลาที่ตายเนี่ยตายกับร่างกายนี้ก็จะต้องแตกสลายเมืแตกสลายก็เหลือแต่ใจที่จะต้องไปเพราะฉะนั้นสมาธิทั้งหลายแหล่ที่เราทํานั้นมันจะมารวมกันในเวลาสิ้นใจเรียกว่าจะมีมากน้อยเท่าไหร่จะรวมที่นั่นหมดะเพราะฉะนั้นคนที่ทําสมาธินี่ เมื่อเวลาที่จะดับชีพทำลายขันหมายความว่าตายเนี่ยก็จะเหมือนกับเดินไปในที่สว่างมีหนทางที่จะเลือกได้ว่าจะไปทางใดส่วนผู้ที่ไม่ได้ทำสมาธิเลยเนี่ยจะเหมือนกับเดินไปในที่มืดมองอะไรก็ไม่เห็นสุดแล้วแต่ว่ากรรมตัวไหนจะมาดึงเอาไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำสมาธิจึงถือว่าได้กาไรเพราะฉะนั้นข้อสิบ เวลาสิ้นลมจะพบทางดีแล้วข้อที่สิบเอ็ดเจริญวาสนาบารมีก็หมายความถึงว่าการที่เราสร้างสมาธิแต่ละครั้งเรานึกพุโทโธแต่ละครั้งที่เราคิดว่าเราไม่เป็นสมาธินั่นคือความเป็นสมาธิแล้วความเป็นสมาธิอันนี้จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแปดเป็นร้อยเป็นพัน ร้อยพันก็ยังอยู่เท่าเดิมใครเป็นผู้รู้พอจิตสงบแล้วมีความรู้สึกทันทีว่าถ้าที่กำลังนั่งอยู่สบายมากลงตัวพอดีมีสติรู้เร็วมากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช่นเสียงกลิ่นหรือว่าความสัมผัสทั้งภายในภายนอกก็จะรู้สึกตัว เย็นร้อนหนาวก็จะรู้สึกทันทีแล้วก็กาหนดได้ทันควันแล้วก็จะผ่านไปเฉยๆขณะกำลังเกิดเวทนาสิทธ์ก็รู้ทันทีว่าเวลานั่งหลังจนนิดหน่อยก็รู้สึกตัวทันทีมีความรู้สึกละเอียดมากแม้กระทั่งลมหายใจเข้าออกจิตมีความรู้สึกโล่งปรงสายรับตารู้ตลอดเวลาจิต สองสิทธ์รู้สึกโล่งหลงสายหลับตาหลับตานอกลืมตาในก็จะไม่เห็นอะไรแต่ว่าในกระแสจิตนั้นจะเห็นแต่รูปของหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าติดอยู่ในกระแสจิตนั่งที่ไหนก็จะเห็นแก่หน้าตาหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลาไม่ทราบว่าสิทธิปฏิบัตินี้จะถูกหรือเปล่าคะ แล้วนี่ที่เมื่อวันก่อนหลวงพ่อสอนเรื่อง ก, กระแสจิตอย่างนี้ใช่เรียกว่ากระแสจิตหรือเปล่าเจ้าคะาที่เกิดเป็นอย่างนั้นน ะ, ะหมายความว่าจิตของเราเนี่ยหลวงพ่อก็ได้เคยพูดไว้แล้วเสมอว่ามันจะถ่ายภาพพอเวลามันคิดนี่มันจะถ่ายคิดนี่มันจะถ่ายเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ย เพราะฉะนั้นเวลาที่จิตมันเข้าผวังเนี่ยไอ้ภาพเหล่านี้มันก็จะเกิดที่จริงแล้วภาพอันนั้นได้ถ่ายเอาไว้ในใจอ่ะไม่ใช่หลวงพ่อไปยืนอยู่ที่นั่นแต่ว่ามันภาพที่มีอยู่ในใจของเราแล้วไปปรากฏใชปรากฏอย่างนั้นถือว่าเป็นอนิมิตอันนี้นินมิตที่เกิดขึ้นจากสมาธิ จะถือว่าจิตเป็นสมาธิก็แล้วกันแต่ที่ว่าอาทําอะไรเราก็รู้นั่นคือหมายความว่าสติเรานั้นมากขึ้นการที่มีสติมากขึ้นก็เพราะมีสมาธิมากขึ้นเ mm hmm. มื่อเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าเอาเดินทามที่ถูกก็จเจริญให้มากกระทําให้มากก็ใช้ได้แต่สิ่งนิดที่เป็นขึ้นมาต่างๆนั้น เป็นกระแสจิตรืเป็นจิทิยาของจิตส่วนที่ต้องการจริงๆนั้นคือพลังจิตที่เราเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็เท่ากับว่าเราได้พลังจิตไว้ไมันก็จะต้องถึงจุดพลังอำนาจจนได้ต่อไปขอเชิญคุณสุวิทย์เจิมสวัสดิ์พงศ์ตามรัชการลาจา์ ผมได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับด้านโยคะแล้วก็ทางหนังสือทางด้านที่เกี่ยวกับเรื่องพลังพิเศษบางส่วนแล้วจะเจอศัพท์อยู่คํานึงคือคําว่าปราณ น, นะฮะหรือพลังปราณเนี่ยพบอยู่เรื่อ ย, อยผมอยากจะได้คําแนะนําจากพระอาจารย์ว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีการกล่าวถึงปราณหรือว่าพลังปราณ น, นี้หรือเปล่าอยากจะให้ท่านพระอาจารย์ช่วยอธิบายว่าพลังนี้เป็นอย่างไรแล้วอยากจะถามอีกอันหนึ่งก็คือว่า พลังปรานี้เนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับส่วนที่เป็นพลังจิตหรือไม่และที่ในตำรา บ, บางส่วนเขาเขียนไว้ว่า อ, อาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงกายหยาส่วนพลังปลานี้เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงกายละเอียดหรือกายทิพย์เนี่ยไม่ทราบว่าการกล่าวนี้ถูกต้องหรือว่าคาดเคลื่อนอย่างไรครับผมขอกราบเรียนอาจารย์นะ ปรานก็คือตัวพรอเอ ร, รืนอระอสดนนเนนสะกก็คืเาเรยกว่าปรานแปนในที่นี้หมายถึงลมหายใจแปลว่าคือพูดกันกลงก็ว่าลมหายใจเนะี่ยอยาจะพูดอีกหนึ่งก็ว่าปราณจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็เอ่อพองก็ได้ยุบก็ได้หรือปราณก็ได้มันอันนี้มันจะอยู่ในลักษณะเดียวกัน คืออยู่ในลักษณะที่เรียกว่าลมหายใจนี้การที่ลมหายใจนั้นจะละเอียดยิ่งขึ้นในเมื่อบุคคลมีจิตเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธินี่โดยเฉพาะเวลาที่เรากำหนดพุทโธพุทโธเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ ลมหายใจนั่นเองถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าพุทธเข้าโทออกหรือเราจะว่าไม่ต้องไปนึกถึว่าพุทธเข้าโทรออกแต่ว่ามันก็อยู่ในลักษณะอยู่ที่ลมหายใจแต่ว่าอย่างไรก็ตามลมหายใจก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลม เพราะฉะนั้นบางคนเขาก็ไม่เอาตรงปรานเขาเอาตรงอัติตรงกระดูกมันก็มีค่าเท่ากันหรือบางคนอาจจะนึกเออเป็นน้ำอะไรอย่างนี้เป็นตน้นในร่างกายอันเนี้ยในทุกๆส่วนของร่างกายเนี่ยธาตุสี่คือดินน้ำไฟ ลมจะอยู่ในลักษณะมีค่าเท่ากันในการที่จะพิจารณาให้เป็นธาตุดังที่ว่าอาหารใจอาหารกายอาหารกายคืออ า, อาหารหยาบอาหารใจนั่นคือจิตคือพลังจิตเราเนึกถึงลมปราณนะแต่ว่าจิตมันไปเป็นสมาธิเราเนึกถึงกระดูก แต่ว่าจิตมันไปเป็นสมาธิเราหมายถึงว่าพลังจิตนั้นเป็นตัวหลักอย่างนี้เป็นต้นขอบคุณคต่อไปก็ขอเชิญคุณสุเวียนใจเพียรขอกราบนรมส ก, การทายาอาจารย์ที่กรบกระผมนีม่ความสงสัยมาเป็นเวลาสี่สิบหกปี ยังไม่รู้เรื่องสมาธิแต่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อสมัยอายุเจ็ดขวบนั่งอยู่กับคุณแม่ในเวลาครบคำ่ำสมัยนั้นอยู่ชลบทไฟฟ้าก็ไม่มีความแสงสว่างอย่างอื่นไม่มีนอกจะใช้ไฟตะเกียงเล็กๆแต่ปรากฏแสงสว่าง ปรากฏขึ้นหาที่สุดม่ได้โดยไม่ได้หลับตาความสว่างนั้นปรากฏแม้ที่บ้านนั่งก็ไม่เห็นบ้านเห็นแต่แสงสว่างเห็นพระสงฆ์ลอยอยู่บนสูงเสมออกผู้ใหญ่ขึ้นไปมีอยู่เจ็ดองและมีคนแก่นุ่งผ้าโจงก็เป็นสีเขียวไม่ได้ใส่เสื้อมีผ้าคมา้าพาดบนไหล บอกคุณแม่บอกคุณแม่พระทําไมมายืนอยู่บนอากาศอย่างนี้รูปร่างสวยงามที่สุดไม่เคยเห็นมาแต่พระองค์ที่เจตนั้นมีละไม้คล้ายครึง่งพระประเดษพระคุณหลวงพ่อกระผมมาพบท่านครั้งแรกเมื่อพศ ส, สองพันห้าร้อยยี่สิบสามบอกใช่พระเดชพระคุณองค์นี้ะองค์ที่เจ็ดท่านยืนบนอากาศ ผมเกิดมากราบนมัส ก, การพระองค์ท่านที่วัดธรรมมงคลนะครับจึงว่าเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งสมาธิและไม่ได้หลับตาเหตุไฉนแสงสว่างที่ปรากฏนั่นจนเห็นพระสงฆ์ทั้งเจ็ดพระองค์นั่นลอยลงไปสู่ทางทิศอัคนีเข้ากลิบเมฆสว่างสวัยไม่มีสิ่งที่ไหนที่เปรียบปานเลยนะครับขอกระผม าาถามปัญหาแต่เพียงเท่านี้ครับสิ่งนั้นปรากฏขึ้นได้อย่างไรครับขอขอบพระคุณครับปรากฏการอันนี้มันเป็นปรากฏการพิเศษคื อ, อยังสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> เวลาเด็กๆตอนที่พระองค์อายุเจ็ดขวบพอเวลาไปนั่งอยู่ใต้ต้นลมว่า <c oughs> อยู่ในล่ม แต่พระพาทบ่ายไปล่มไม่ได้บายไปตามไม่ได้บายไปตามต้นว่าอันนั้นก็เป็นปรากฏการพิเศษทุกๆคนเราเนี่ยมันจะมีปรากฏการพิเศษปรากฏการพิเศษนั่นจะแสดงถึงว่าในอดีตได้เคยทำสมาธิมาแล้วแต่เราจาชาติไม่ได้ในปรากฏการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นตามลำดับ มีเยอะที่เกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นจากาผลบุญที่หรือว่าสมาธิที่เคยทำมาในแต่อดีตเพราะฉะนั้นในเมื่ อ, อปรากฏการอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จำเป็นที่ว่าจะต้องต่อก็เรียกว่าต่อยอดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ข้อหนึ่งว่า ขุเพนะัสันนิวาสเนกะัจจุปนนะักอิเตนวาเอวันตังชายเติเปมังอุปรังวะยทตโเกอันนี้เป็นภาษาแขกหรือว่าภาษาบาลีจึงแปลเป็นภาษาไทยว่าดอก บ, บวัวจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีน้ํากับตมมีน้ําอย่างเดียวเกิดดอกบัวไม่ได้มีต้มอย่างเดียวเกิดดอก บ, บวัวไม่ได้ เพะนั้นเมื่อมีสิ่งเดิมขึ้นมาแล้วเนี่ยเช่นอย่างมีตมมาแล้วก็ต้องมีน้าเมื่อเราทำสมาธิเคยมาในอดีตมาในปัจจุบันก็ต้องต่อก็ถือว่าเป็นนิมิตอันหนึ่งก็แล้วกัน <c oughs> หมดได้อยังนีเตึง <c oughs> จบ <c oughs>